แต่ในการเรียนกรรมบทนั้นจะต้องมองทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายดําและฝ่ายขาวนะก็ยังไงเรียนสูงก็ต้องเรียนต่ําด้วยนะรู้แต่สูงไม่รู้ต่ำนีม่มันจะต่างกันยังไงเรียนมืดต้องเรียนสว่างด้วยนะทีนี้ก่อนที่จะรู้จกักการงดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นเนี่ยก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องของปานาติบาตด้วยนะใครเอาเอกสารมาก็พลิกได้เลยนะหน้าสิบเก พูดถึงปานาฏิบตัติขึ้นต้นด้วยกายกรรมก่อนเอาก่อนนะว่าสรุปอีกอขึ้นเข้าโครงเรื่องก่อนว่ากรรมทั้งหมดมีกี่ทมีมี3 1. กายกรรม 2. วจีกรรม 3. ม, มโนกรรมเอาฝ่ายชั่วฝ่ายชั่วนะกายกรรมมี3 1. ค่ฆ่าสัตวอลักทรัพย์ สประพฤติผิดในกรรมนี่สอย่าง3มอย่างนี้เรียกว่ากายกรรมส่วนวัจจกก ร, รมมี4ประการหนึ่งพูดเท็จสองพูดส่อเสียด3พูดคำหยาบสพูดเพ้อเจอ้อแล้วทีนี้ต่อไปว่ามโนกรรมมีสามมโนกรรมก็คือหนึ่ง อภิชาหรือเพ่งแลงด้วยอำนาจโลภะสองพยาปาทะโทสะส ม, มิจฉาทิฐินะมะโนกรรมมีสมนะกายกรรม3ามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามรวมเบ็ดเสร็จเป็น10อย่างด้วยกันในกายกรรมสมอย่างนั้นคือปานาติบาตเป็นข้อที่หนึ่งเลยนะคำว่าปานาติบาตนั้น ก็คือการยางังสัตว์มีชีวิตซึ่งมีอันจะต้องตกไปเป็นสภาพโดยหน้าที่ของตนเองนั่นแหละให้ตกไปชื่อว่าอติปาตะหมายคําว่าชีวิตของเขาเนี่ยก็สืบเนื่องไปเรื่อยๆใช่แต่แต่บุคคลเนี่ยไปทําให้ให้สัตว์นั้นะตกล่วงไปเร็วพลันอางี้นะทุกคนเนี่ยตายแน่ใช่ไหมแต่ปกติเขาอาจจะแปดสิบปีตายอย่างนี้ใช่ เราเรียบไปให้เขาตายถ้ตอน20อย่างเงี้ยอย่างงี้เรียกว่าปานอธิบตัติคือยังไงสัตว์ตายแน่ไม่ต้องห่วงคุณค่าเขาก็ตายไม่ค่าเขาก็ตายตายแน่ยังไงก็ตายไม่แช่งเขาก็ตายแช่งเขาก็ตายนะเพราะความตายเป็นธรรมดานะก็บอกว่าสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาไม่มีใครขอร้องอ้อนวอนว่าเออขออย่าตายเถอะทาได้นี่เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ฐานะซึ่งยังไงสัตว์ทั้งหลายตายแน่ แต่ว่าให้เขาตายก่อนกําหนดเนี่ยลักษณะนี้แหละเรียกว่าปาณาติบาตที่จริงเขาเราก็ไม่น่าจะรีบให้เขาไปครับเร็วขนาดนั้นนะนะรนิ่งหมายเขาก็ตายอยู่แล้วใช่ไเราไม่ต้องไปทำบาปด้วยยังไงเขาก็ตายอยู่แล้ว <c oughs> อีกอย่างหนึ่งนะ <c oughs> การใช้ศาสตราเป็นต้นครอบงำให้ตกล่วงไปชื่อว่าอาติปาตะอันนี้ก็หมายถึงการ ค้าสัตว์มีชีวิตนะสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งมีชีวิตนะอันหนึ่งขันธสันดานที่เรียกว่าสัตว์ชื่อว่าปานะขันธสันดานนะก็คือขันนั่นเองสันตานะสันดานนี่แปลว่าอะไรสันดานก็แปลว่าสืบเนื่องอ่ะสันนะสืบเนื่องขันธสันดานขันนี่แปลว่ากองแห่งโรคเวทนาสัญญาสังขารและปิญญาณ สันดานก็คือสืบเนื่องขันธสันดานก็คือการสืบเนื่องแห่งขันเป็นยังไงก็คือนั่งอยู่นี่ไงยังสืบเนื่องอ่ะถึงนั่งได้ทำไมสืบเนื่องวันนี้ล้มแผลไปแล้วทีนี้ไอ้ที่ขันธสันดานอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าสัตว์ชื่อว่าปานะในคําว่าปานาติปาโตขันธสันดานนั้นโดยประมัดได้แก่รูปชีวิตดินซีและอรูปชีวิตดินซี ในความเป็นปานะในความเป็นสัตว์นั้นเพราะสิ่งนั้นมีชีวิตรูปและชีวิตนามชีวิตรูปเกิดร่วมในกายนี้มีเกิดร่วมกับอะไรได้บ้างเกิดร่วมกับรูปกลุ่มไหนได้บ้างเกิดร่วมกับกรรมชรูปชีวิตรูปเกิดร่วมกับกรรมมชรูปทุกกลาบทุกกลุ่มจากขู่ภาษาทะก็มีชีวิตรูปเกิดร่วมด้วย โสตาปสาภาษาทาก็มีชีวิตตรูปเกิดร่วมด้วยชิวหาภาษาทาก็มีชีวิตตรูปเกิดร่วมได้ร่วมด้วยอะไรอีกกายภาษาทาก็มีชีวิตตรูปไอถีภาวะปริสาภาวะก็มีชีวิตตรูปหาทยวตถุก็ยังมีชีวิตตรูปดังนั้นชีวิตตรูปเนี่ยนะิมทราบเกือบเกือบทั่วสารพางกาย เพราะว่าที่ไหนมีกายที่นั่นก็ต้องมีชีวิตรูปในกายของเรานะที่ส่วนไหนเช่นเส้นผมที่พ้นศีรษะไปแล้วตรงนั้นไม่มีชีวิตรูปขนก็เหมือนกันเล็บ น, นะส่วนบ า, บางส่วนของเล็บก็ไม่มีชีวิตรูปนะผิวหนังที่ที่ตายไปแล้วก็ไม่มีชีวิตรูปอันส่วนใหญ่เนี่ยทั่วสารพางกายเนี่ยมีชีวิตรูปกล่อเลี้ยงเอาไว้ชีวิตรูปเหล่านี้เนี่ยนะ ถ้าชีวิตรูปนั้นเกิดร่วมกับจกักรคูภาษาทะเป็นเป็นรูปที่เข้าไปทำหน้าที่อนุบาลอนุบาลก็คือตามรักษาตามรักษากรรมชรูปนะเป็นรูปที่คอยรักษากรรมชรูปเหล่านั้นในจกักคูภาษาทะนั้นก็มีเป็นวัตถุรูปจกักรคูภาษาทะเป็นวัตถุรูปเป็นที่อาศัยเกิดของจกักคูวิญญาณ ในจกักรวิญญาณก็มีชีวิตติณรีย์เจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นหูได้ยินเสียงหนึ่งคำปั๊บมีชีวิตนะชีวิตตนามได้ยินเสียงนะอาศัยหูที่ยังไม่เน่าอาศัยหูคือชีวิตตุลุบนะเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงโสตประสาทะให้ชีวิตตนามเกิดขึ้นได้ยินเสียงนะชีวิตตนามมีเสียงเป็นอารมณ์ไหมนะเจตสิกเกิดขึ้นยังไงก็ต้องมี ม, ม, มีอารมณ์อยู่แล้วใช่ไหม เพราะฉะนั้นชีวิตตินซีเนี่ยขณะที่หูได้ยินเสียงนั่นแหละชีวิตของเราชีวิตขณะไหนขณะได้ยินขณะเห็นนี่แหละนั้นชีวิตต้องแบ่งเป็นชีวิตตรูปกับชีวิตตนามแท้จริงเมื่อรูปชีวิตตินซีที่บุคคลให้พินาศไปแล้วอารูปชีวิตตินซีนอกนี้ก็พินาศไปเพราะอารูปชีวิตตินซีเนื่องกับรูปชีวิตตินซีนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าจักขู่ภาษาถ้เสียหาย นะเสียหายก็ก็คือ room, อินทรีย์รูปอนะชีวิตอินทรีย์รูปที่เกิดร่วมกับจักรคูภาษาธะเนี่ยไม่ทําหน้าที่อนุบาลแล้วอ่ะจักรคูภาษาธะก็เสียหายแล้วไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เหมือนมีอะไรมาทิ่มตาทั่บออเลยะชีวิตรูปประเภทจักรคูภาษาธาไม่ทํางานต่อทีนี้เห็นได้ไหมวันหลังไม่ได้รถ้ารูปเสียหายปับ๊บจิตเห็นก็เกิดไม่ได้ <c oughs> ทนี้ในทวารอื่นก็เหมือนกันใช่ไหมหูก็เหมือนกันก็ ค, ค่อยไล่นะเออถ้าตาบอดอ่อเห็นไม่ได้ละถ้าหูเสียนะชีวิตโัวรูเสียปับ๊บได้ยินไม่ได้ละถ้าจมูกเสียปับ๊บโอ้โหโลกเนี้ยนะอยู่กับศพสบาย ส, ส, ส, สบายเลยไม่มีกลิ่นทุกอย่าง น, นะไม่มีหอมไม่มีเหม็นเลยอ่าถ้าหากว่าชิวหาประสาทะปั๊บลิ้นจระเข้เลยอะไรก็ไม่รู้อร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้คะแนีนนนะเอาไหมถ้าทานอาหารไม่รู้รสเลยเนะี่ยเอาไหมนั่นแหละโอ้ยนี่เกิดอีกนั้น ทีนี้ต่อไปอีกว่าในชิวหาวัตถุเนี่ยนะก็มีชีวิตอยู่ด้วยถ้าหากว่าชิวหาวัตถุเป็นต้นเสียหายไปแล้วชีวิตแต่รูปตรงนั้นเสียหายไปแล้วก็ไม่เกิดและทีนี้ในส่วนของกายก็เหมือนกันถ้าหากว่ากายย่าภาษาถ้าส่วนไหนตายเดี๋ยวก็จะเริ่มนะเป็นเรียกว่าอมภาดเลยมั้งเรียกว่ายิกยังไงก็ไม่เจ็บแล้วนะหรือถ้าหากว่าไม่ไม่เน่าอ่ะนะหรือไม่เน่าเป็นต้นเนี่ย แทบไม่เน่ช่วยยเนี่ยบางทีก็ยังบอกไม่ได้ใช่ไหมว่าตรงนั้นไม่มีชีวิตติณซีแต่อาจจะกายะประษาธาไม่มนะีเมื่อกายะภาษาธาไม่มีนะไม่เจ็บแต่ตรงนั้นก็ยังมีประเภทนะเนะียังมีชีวิตรูปยังมีภาวะรูปยังมีอะไรอยูนะ่ในในส่วนอื่นๆแต่เป็นที่อาศัยเกิดของกายะประษาธะไม่ได้กายะภาษาธาไม่มีปั๊บกายะวิญญาณก็ไม่มี เพราะฉะนั้นเนี่ยเอามีดสับเข้าไปฉับหนึ่งก็ไม่เจ็บนะเพราะว่าที่เจ็บนั้นก็ต้องตรงนั้นต้องมีกายภาษาทรูปังั้นถ้าหาว่ากายปาสาทะในส่วนนั้นนั้นเสียหายไปชีวิตะรูปก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเจตนาคิดจะฆ่าของผู้มีความสำคัญในชีวิตนะสัตว์มีชีวิตนั้นว่าเป็นสัตว์มีชีวิตนะรู้ด้วยว่าเออนี่คือสิ่งมีชีวิต ที่ยังความพยายามอันเข้าไปตัดขาดชีวิตินทรีย์ให้ตั้งขึ้นเป็นไปแล้วทางกายทวารและวะจีทวารทวารใดทวารหนึ่งชื่อว่าปานาติบาตคือปานตาิบาตเนี่ยกรรมเป็นกายกรรมแต่ทวารในการฆ่าล่วงมาได้สองทวารอันนฆะ่าด้วยด้วยทางกายเห็นฆนะ่ากับทางวาจา เดี๋ยวประโยคของการฆ่าจะไปกล่าวอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าทวารแห่งการฆ่ามีอยู่สองทวารคือทางกายกับทางวาจาคิดเฉยๆเนี่ยคิดแช่งชักหักกระดูกเนี่ยไ ม, ไม่ไม่ไม่ใช่ตรงนี้นะมันจะไปเข้าพยาบาทข้อนั้นไป<ม>ทีนี้ข้างบนนี่น ะ, นะว่าเป็นไปแล้วทางกายทวารและวัจจิทวาร น, นะทวารใดทวารหนึ่งไม่ใช่อย่างอื่นเนี่ย ยกเป็นบาลีมาว่ากายวจีทวารานังอัญญทวาระทวารรปวาตาเป็นไปแล้วทางกายทวารและวจีทวารทวารใดทวารหนึ่งนี้แสดงถึงความไม่มีแห่งการยังสัตมีชีวิตให้ตกล่วงไปคือปานาติบาิด้วยวัฏกะเจตนาที่เป็นไปแล้วทางมโนทวารคือคิดเฉยๆไม่ชื่อว่าปาน า, าติบตศไม่ชื่อว่าเป็นกายกรรมนะแค่คิดอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ไม่ใช่ กายกรรมแต่ไปเป็นประเภทมโนกรรมไปทีนี้ท่านก็เลยอธิบายว่าจริงอยู่แม้ในกุลุมพระสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์เอาวิชามยริ์ว่าสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีฤทธิ์ถึงความชำนาญทางใจย่อมเพ่งเล่งในตำราใครมีคำว่าไม่อยู่ตรงนั้นกรุณาขีดขดคาค่ า, าน่อยคานี้ไม่บับอะบุญเนี่ย น่ะนับนับจากข้างล่างขึ้นมาสี่บรรทัดนะอยู่ขวามือสุดเลยย่อมไม่เพ่งแรงเนี่ยเอาคำว่าไม่ออกนะ่ะือย่อมเพ่งแรงสัตว์ที่เกิดในคันที่อยู่ในท้องของหญิงอื่นด้วยใจที่ฝ่ายต่ำนะคนที่ที่เรียนวิชาบางอย่างมาเนี่ยนะเขาเรียกว่ามองท้องอ่ะคิดไปที่ภาพท้องเนี่ยสามารถที่จะฆ่าเด็กในท้องตายได้สานวนแบบ ทางสุรินก็เรียกว่าเสกตะปูเข้าท้องเป็นต้นได้อะนะไม่เคยเห็นได้ยินแต่เขาว่าเพราะฉะนั้นวิชามยาริ์นั้นจึงสําเร็จด้วยอํานาจแห่งวจีทวารเท่านั้นนะว่าไอวิชาเหล่านั้นเนี่ยถ้าไม่ท่องไม่สวดนะมันก็ไม่ใช่ว่าจะสําเร็จได้นะมันต้องสวดต่องบริกรรมต้องมีเป็นเวทมนต์เป็นคาถาพวกนี้จะต้องไปอยู่ในป่าอยู่ในอะไรวิชาบางอย่างเนี่ยองค์ประกอบมันเยอะ กว่าจะเรียกว่ากว่าจะมาเป็นวิชานั้นได้สําเร็จในการฆ่าได้ทีนี้ต่อไปนะว่าพูดถึงโทษของปาณาติบาตเออฆ่าแล้วมีโทษอย่างไรนะปานาติบาตนี้นั้นเชื่อว่ามีโทษในเพราะสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นที่ปราศจากคุณนะคือมีโทษน้อยอะถ้าไปฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆที่ไม่มีคุณเลยคือไม่มีคุณงามความดีอยู่ในตัวนั้นเลยเช่นฆ่ามดอย่างเงี้ย ไม่ใช่ไม่บาปนะบาปเหมือนกันแต่ว่าบาปน้อยหน่อยโทษน้อยหน่อยสัตว์มีชีวิตตัวเล็กๆเนี่ยโทษน้อยเชื่อว่ามีโทษมากในเพราะสัตว์มีชีวิตตัวใหญ่นะขาสัตว์ใหญ่ๆเนี่ยบาปมากอ่าทำไมเพราะอะไรบอกว่าเพราะมีประโยคใหญ่ประโยคก็คือพิธีการฆ่านั่นเองประโยคนฆ่าโหกว่าจะฆ่าตายได้ตัวงนะสมมติแต่จะล้มช้างสักตัวหนึ่งเนี่ยโหพยายามมากแล้วเกินกว่าจะตายได้ แม้เมื่อมีประโยคเท่ากันปาณาธิบาตเชื่อว่ามีโทษมากเพราะมีวัตถุใหญ่เป็นต้นแล้วแต่ว่าใช้ความพยายามเท่ากันเนี่ยเท่ากันสมมุติว่าเราใช้ปืนใช่ไหมยิงออกไปหนึ่งนัดเนี่ยความพยายามเท่ากันในการยิงแต่ว่าต้องถ้าสัตว์ตัวเล็กบาปน้อยหน่อยเหมือนไปยิงนกนะถ้ายิงนกกระจิบนกกระจาบอะไรเงี้ยก็บาปน้อยหน่อยเมื่อเทียบกับยิงนกอินทรีตัวโตๆอย่างเงี้ย ก็บาปแตกต่างกันนะโมท่าฆ่าสัตว์ต้อว่าฆ่ายุงกับฆ่าแมลงสาบแมลงสาบก็บาปกว่ายุงอย่างเงี้ยถ้าหากว่าแมลงสาบกับหนูหนูก็ต้องบาปกว่าแมลงสาบเพราะตัวมันใหญ่กว่าถ้าฆ่าคนอ้วนไะอ้วนผอมเนี่ยเอาความเป็นคนเป็นประมาณนัะนนะทีนี้ต้องไปถามว่าเขาใครมีศีลกว่าใครนะถ้าเขามีคุณธรรมมากฆ่าคนนั้นบาปมาก นะถ้านะนะถ้าแมวก็บาปน้อยบาปน้อยกว่าหมาหน่อยนะถ้าคนมีปีนก็บาปกว่าเฮนะทีนี้ในบรรดามนุษย์เป็นต้นเนี่ยนะผู้มีคุณนะในเพราะมีคุณน้อยปานาติบาตชื่อว่ามีโทษน้อยชื่อว่ามีคุณมากปานาติบาตมีโทษมากคุณในที่นี้หมายถึงถ้าสมมติว่าสองคนเนี่ยคนมีศรัทธากับไม่มีศรัทธานะ เราฆ่าคนมีศรัทธาบาปมากกว่าฆ่าคนไม่มีศรัทธาคนมีศีลกับคนไม่มีศีลเนี่ยเราฆ่าคนมีศีลบาปมากกว่าคนไม่มีศีลอ่าคนที่มีสุตะกับไม่มีสุตตะเนี่ยนะฆ่าคนไม่มีสุตะบาปน้อยกว่าฆ่าคนมีสุตตะถ้ามีจาฆ่าเนี่ยนะก็ไล่ไปเรื่อยๆแล้วแต่คุณธรรมที่ว่าเขาบอกว่าถ้าฆ่าเนรก็บาปน้อยกว่าฆ่าพระอย่างเงี้ยแต่ฆ่าพระ มีกิเลสก e ็บาปน้อยกว่าฆ่าพระเสกขะฆ่าพระโสดาบันไปต้นฆ่าพระโสดาบันก็บาปน้อยกว่าพระสกอทาคามีฆ่าพระสกาทาคามีก็บาปน้อยกว่าพระอนาคามีฆ่าพระอนาคามีก็น้อยกว่าพระอรหันต์ถ้าฆ่าพระอรหันต์ก็น้อยกว่าฆ่าพระประเจกแต่ฆ่าพระประเจกก็กมากแล้วนะอนันรเยกรลนั่นนะมันก็สุดยอดแล้วยังไงตกนรกไงไงเลย ท, ท่านเคยเจอหลักฐานไหมที่ว่าพระอริยะบุคคลนี้ถูกฆ่าตายมีไหมครับไม่นึกจะไม่เคยเจอเนาะอ๋อมีมีมมจริงพอเช่นประวัติป่าอันทวันป่าอันทวันนั้นเป็นป่าป่าคนตาบอดเาว่ากันป่าอันทวันน่ะนะเรียกว่าป่าคนตาบอดในสมัยของพระผู้มีพระภาคพนามว่ากัสสปะอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะโปรง่งเสด็จดับขันปริญนิพพานเขาก็มีการสร้างเจดีย์ สร้างเจดีย์เนี่ยแบ่งออกเป็นสี่สมประตูใหญ่มากมันเจดีย์นเนี่ยสำเร็จด้วยทองอ่าทีนี้ในช่วงของการสร้างเจดีย์เนี่ยอ่าที่จริงเขามีเจ้าภาพรวมเบ็ดเสร็จหมดแล้วนะแต่ทีนี้มันมีกลุ่มหนึ่งอ่ะไม่ทำอย่างที่ตกลงกันไว้ทีนี้ก็พระอนาคามีท่านหนึ่งเนี่ยท่านท่านก็เห็นว่าเออถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เจดีย์ไม่เสร็จแนะ่ท่านก็เลยท่องเที่ยวไปตามชมพูทวีชักชวนให้คนเนี่ยสร้างเจดีย์ร่วมกัน ทีนี้ท่านก็จะมีคนติดตามท่านไปด้วยทีนี้คนที่มีข้าวสารอาหารอะไรก็จะบริจาคอาหารไปคนมีทรัพย์ก็บริจาคทรัพย์คนมีทองก็บริจาคทองอทีนี้พอท่านได้รับบริจาคปุ๊บท่านก็จะส่งส่งส่งส่งไปทางโน้นก็ก่อสร้างไปเรื่อยๆทีนี้ในช่วงที่เรียร์รายไปเรื่อยๆนั้นอ่ะทางโน้นก็สร้างเสร็จพอดีก็ส่งข่าวว่าท่านอาจารย์ว่า ง, งั้นเจดีเนี่ยเสร็จแล้วขอให้ท่านอาจารย์กลับมาเถอะ ในระหว่างทางเนี่ยมาถึงป่านี้เข้าโจนเนี่ยก็ซุ่มมาเออพระเ อ, ออุบาสกคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เที่ยวเรี่ยไรในชมพูทวีปเหมือนกันคงได้ซัพย์มาเยอะก็เลยบอกว่าซัพย์อันนั้นขอเถอะเหมงอนกันบอกว่าซั์ไม่มีแล้วเอาไปให้เขาทําเจดีหมดแล้วก็บอกว่าเอ๊ถ้าอย่างนั้นจะทําไงดีถ้าหากว่าเราปล่อยเข้าไปเนี่ยคนเนี่ยต้องเวลา เราเข้าไปในเมืองอ่ะเขาต้องประจานเนี่ย น, นี่โจรนะ น, นี่โจรเนะี่ยเราก็ถูกคายทําทไงดีเนะาะพระนาคามียะนะออุบาสกคนนี้ก็บอกว่าเออปล่อยฉันไปเถอะฉันจะไม่ว่าอะไรคุณร็อกไม่ไมฟ้องไม่อะไรทุกอย่างเราทีนี้คนเนี่ยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งบอกควรฆ่าอีกคนหนึ่งบอกเอออย่าฆ่าเลยทีนี้ไอ้ฝ่ายบอกฆ่าฆ่าเนี่ยาามากกว่าก็เลยร่วมใจกันฆ่าพระอนาคาเมียพอฆ่าเสร็จนะก็บอกว่าตานี่เริ่มพร่าพร่าพร่าบอดหมดเลย เพาะป่าเขาเรียกป่าคนบอดป่าอันทวันว่ากั้นก็เลยกลายเป็นป่าอันทวันป่านั้นก็มาจนถึงศาสนาของพระผู้มีพระภาคของเราภิกษุทั้งหลายก็จะไปไปเจริญสมณธรรมอยู่ในป่านั้นเป็นเป็นที่หลีกเล่นของพระภิกษุในสมัยพุทธกาลเรียกว่าป่าอันทวันป่าอันทวันก็คืออันท่าแปลว่าบอดวันแปลว่าป่าวันนะนะนั้นป่าอันทวันก็คือป่าของคนตาบอดนัะนั้นพระอริยะก็ถูกฆ่า ในศาสนาของเรานี่็ก็มีหลายองค์อย่างเช่นพระพระรูปหนึ่งเนี่ยท่านเป็นพระที่เข้าไปฉันในบ้านโยมใบ่อๆโยมบ้านนี้เขาเป็นตระกูลช่างทองอ่าเป็นเป็นช่างแก้วมณีช่างอะไรเนี่ยนะ่เป็นช่างแก้วแก้วมณีพวกเกียรนยัยเพชรพลอยอะไรต่างๆเราเนี้ยอ่าพระนี่ก็ไปฉันเขาสมัยก่อนเนี่ยบินธบัตแล้วไปฉันที่บ้านโยมไปฉันอยู่อย่างนี้ทุกวันลยปีมาเป็นสิบปีอะ่ะทีนี้วันหนึ่งเนี่ย เขามีคนเนี่ยเอาแก้วของพระราชามาให้ในช่างนี้เจริญในช่างก็ขณะนั้นเนี่ย ก, กาลังทำเนื้ อ, อทำเนื้ออยู่พอดีเลยกำลังหั่นเนื้อหั่นอะไรเนี่ยอมาตเอาของมาให้ปั๊บก็อา้ามือเปื้อนเลือดนี่รับรับแล้วก็วางเอาไว้ทีนี้ในบ้านนั้นมีนกกระเรียนอยู่ตวงนกกระเรียนนี่ได้กลิ่นคาวเลือดนะก็มากลเรินกินไ อ, ไอ้แก้วอันนี้เลยกเรินกินเข้าท้องไปพระรูปนี้กำลังนั่งมองอยู่มองเห็น ท่านเป็นพระทหานท่านก็มองเห็นท่านก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่พูดอะไรหรอกทีนี้นายช่างแก้วคนนี้เนี่ยพอทำอะไรเสร็จเลี้ยวไปหาเพชร เ, เลี้ยวไปหาไอ้แก้วอันนั้นเนี่ยหาไม่เจองานนี้คอขาดแน่ถามเมียเมียก็ไม่รู้ถามพระพะก็ไม่ตอบเอาอยัางไงเนี่ ย, ยถ้าหาว่าไม่เจอเนี่ยถูกถูกประหารแน่ถ้าเอาอยัางไงดีนะ ก็เลยบอกเอ้คนอื่นถามใครก็ไม่มีใครเอาทางนั้นอยู่ตรงนี้ก็มีแต่พระพระต้องเอาแน่นอนทางนั้นก็เลยคิดแบบพระนี่เอาแน่นอนก็เลยท่านบอกผมด้วยทางนั้นพระก็ไม่บอกพระก็ท่าก็ใช้ทีนี้เอาอยัางไงดีอ่ะก็เลยไปเอาเชือกมาอันหนึ่งเอาเชือกมาก็มัดศีรษะใช่ไหมแล้วเอาไม้เนี่ยมาก็ขันรัดไปเรื่อยๆๆขันชนะรัดรัดรัดรัดรัดไปเรื่อย ทีนี้จนเรียกว่าตาเนี่ยแทบปลิ้นออกอ่ะเกือบตาอยอ่ะทีนี้เลือดมันก็ไหลอาบไอ้นกกระเรียนตัวนั้นมันก็มามันได้กลิ่นเลือดมันก็วิ่งมาเลยนายช่างแก้วกําลังโมโหยอยู่พอดีก็หวนเข้าไปปั๊บหนึ่งเนี่ยนกกระเรียนเนี่ยตายคาที่ตรงนั้นน่ะพระนี่ก็มองเห็นนกกระเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวผนๆหน่อยว่านกตายหรือ ย, ยังก็บอกเออท่านก็จะตายเหมือนนกนั่นแหละก็บอกเออปล่อยๆว่าไอ้แก้วที่ว่านี่อยู่ในท้องนก ถ้าหากว่านกตัวนี้ไม่ตายอย่างไงก็ไม่บอกเพราะบอกไงต้องถูกฆ่าอยู่แล้วทีนี้ก็เลยไปผ่าผ่าเสร็จเนี่ยเห็นนกประเรียนเลยเขาเสียใจมากโอ้ฆ่าพระพระรูปเนี้ยเข็ดเลยอ่าเลิกชั้นบินบ้านโยมเนี้ยบินบาตรชั้นอย่างเดียวอไปภรรยาเขาเป็นคนมีตัดทธาพระรูปนั้นอยู่ไม่นานท่านก็มรณะภาพเพราะโรคไอที่ที่เขาทำท่านก็มรณะแล้วก็นิพพาน เพราะท่านเป็นพระอรหันต์ภรรยาเขาก็ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเป็นสุขตินกเกรียนเนี่ยมามาเกิดเป็นมนุษย์ส่วนคนฆ่านั้นก็เกิดเป็นเกิดเป็นอะไรฆ่าพระอรหันต์ตกนรกอ่ะเนาะนั่นแหละเพราะฉะนั้นในในศาสนาของของพระผู้มีพระภาคของเราก็มีมีถูกฆ่าอยู่เหมือนกันนะนั้นคนทำมณฑลกรรมนี่ก็ไม่น้อยเลยอ่ะไม่ไม่ใช่น้อยอะนะคนบาปเนี่ยอยู่ยุคไหนมันก็บาปอ่ะนะ อันถ้าฆ่าคนมีมีคุณธรรมมากมันก็บาปมากทีนี้ต่อไปว่าถ้าหากว่าฆ่าคนที่มีกิเลสน้อยก็บาปมากฆ่าคนมีกิเลสมากก็บาปน้อยทีนี้ถ้าหากว่าฆ่าคนที่มีคุณเสมอกันสมมตินนะเอาคนมีศีลมาสองคนเลย มีสินห้าทั้งคู่เลยก็บอกว่าฆ่าสองคนนี่ฆ่าใครบาปกว่ากันฆ่าใครบาปกว่ากันเอ้าหญิงชายเนี่ยมีสินห้าเท่ากันเอาถึงไตสารณคมชลาเท่ากันหมดเลยใครฆ่าใครบาปกว่ากันก็บอกก็บอกว่าคนฆ่าเนี่ยใช้ความพยายามฆ่าใครมากที่สุดอันนั้นบาปมากอ่ะฆ่าหญิงก็ฆ่าชายไหนฆ่าง่ายกว่ากันพยายามฆ่าใครมากอ่ะบาปมาก เ <ARM 'd> รียก<ๆ>ว่าโกรธพยาอ่าเรียกว่ากิเลสในการฆ่าใครมีมากอะ่ะอันนั้นบาปมากพยายามฆ่าใครมากก็บาปมากก็คือแสดงว่าตรงนี้เอาที่ชาวนะในการซ่องเสรในการฆ่าะนะถ้าปล่อยจิตให้ไหลไปกับบาปมากมันก็บาปมากถ้าปล่อยจิตให้ให้ไหลไปกับบาปน้อยมันก็บาปน้อยอันนั้นก็เป็นถ้าเรียกว่าถ้าใช้ความพยายามมากเนี่ยวิริยาธิปฏิมันมีมากโทสะเป็นวิริยาทิปฏิใช่ไหม อ่าวิริยะที่เกิดร่วมกับโทสะสืบเนื่องเนี่ยเป็นวิริยาที่ปฏิมันก็บาปมากเวลาตบยุงไม่ต้องใช้ความเพียนเลยก็บาปน้อยหน่อยก็คือบาปน้อยอ่ะเมื่อเทียบกับเพี้ยนนะนะเมืม่อเมื่อเทียบกับไปตบประแลกสาบก็อ่าเรียกว่าบาปน้อยกว่าแมงสาบก็ก็บาปมากหน่อยอ่าก็บาปป่ายุงอ่ ะ, <น>ะแต่ถ้ารวมไหมบาปหมดนะมีโทษหมดอนะ่ะ แต่ ท, ทีนี้ต่อไปนะว่าปาณาติบาตเนี่ยมีองค์ประกอบ5อย่างก็คือ 1. ปาโนสัตว์มีชีวิตสองปาณสันรรยิตารู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิตสวัฏกรจิตตังจิตคิดจะฆ่า 4. อุปกรกโมพยายามที่จะฆ่าหเตนะมรณงสัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นถ้าครบองค์5นี้เรียกว่าล่วงกรรมบทไปแล้ว ถ้าไม่ครบองค์ก็ไม่ร่วมไม่ร่วกมกรรมบทแต่ก็ชื่อว่าเป็นกายทุจริตสมมุติว่ามีในพรานคนหนึ่งใช่ไหมโอแบกปืนมาตั้งแต่เช้าเลยนะเที่ยวล่าไม่มีอะไรตายสักตัวงถามว่าบาปไหมเขาบอกว่าปานาติบาตเขาไม่ร่วงแต่การกระทําทั้งหมดชื่อว่าเป็นกายะทุจริตเป็นกายะทุจริตเป็นประพฤติชั่วทาง กายแต่ก็ไม่ใช่ว่าร่วงปาณาติบาตอะไรถามว่าเออที่เดินแบกปืนทั้งวันนี่มีผลไหมนะชาวนะมันก็เกิดเนี่ยเป็นอกุศลอกุศลก็ให้ผลเป็นถูกอยู่แล้วเอ๊พูดอย่างงี้ก็สมัยก่อนเนี่ยไปหาหนูบ่อยแสดงว่า ม, มีโทษโทษของนะนี่ย น, นะถ้าหนูตามป่าเขากินกันนะหนูในเมือ ง, มองไม่กล้านะ เพราะฉะนั้นถามว่ามีผลไหมได้ปัจจัยพร้อมเนี่ยให้แน่นอนนะท่านได้ศึกษาธรรมะนี้เอ